พัษนะสู่ธรรมเรื่องการท่องสำรวจชีวิตโดยอาจารย์โกวิทอเนกชัยเขมานันทะวันที่สิบเกุมภาพันธ์พุทธศักราชสอง8ันห้ารอยยสิบปดบันานสูงโดยไม่แยแสต่อจริยธรรมหรือข้อจำกัดซึ่งฝ่ายเจราวาดห้ามหรือเน้นมากว่าทำไม่ได้ นี่เป็นนิติของขุสเกศนาครับก่อนผมจะขึ้นสู่เนื้อหาของการท่องตำรวจชีวิตนะครับจะทวนความหลังไปสักอาทิตย์ครับเมื่อวันมาขับบูชาที่แล้วมาซึ่งประเอญระตรงวันวัเลนทายเขาที่จริงก็ไม่มีความหมายอะไรครับเพราะวันทุกวันมัคือวันธรรมดาทั้งนั้ น, นครับ ไม่ใช่ว่าวันจันทร์วันคันวัพิษวันพุธพฤหัสแม้ว่านักโหราศาสตร์หรือนักวิทยาศาสตร์จะชี่บอกวา่ามันผิวโลกด้านที่หันไปจูว่วงอวากาศกว้างไพศาลนั้นอยู่ภายใต้จักรราศีอะไร <c oughs> ทีจริงจักรราศีเหล่านั้นเรื่องธรมธรมดาธรรมดารับ ควมตืนเต้นที่วันวาเลนไทน์ตรงวันมาคานั้นไม่น่าจะเกิดกับชาวพุธแต่ไงกะตามนะฮะผมรู้สึกมีการเคลื่อนไหวคึกคักทั้งโทรทัศน์ทั้งวิทยุผมเองมีส่วนเข้าไปพูดเขาด้วยภายใต้เงื่อนไขของเวลาแต่แล้วเรื่องที่คร้างใจก็เลยนำมาพูดที่นี้ครับเพราะเวลาที่นั่นไม่เอื้อมน่อยให้ทาได้ ข้อํากับของสถานการณ์บางอย่างทำให้เราไม่อาจที่จะเลียวแสดงหรือเปิดเผยในสิ่งที่เราอยากจะพูดอยากจะกล่าวเช่นเดียวคัาสังพันธ์ทั่วไปนั่นเองครับเมื่อเราเจอแขกแปลกหน้าเราก็พูดได้นิดหน่อยคนสนิทกันก็พูดได้มากพูดได้เป็นคืนคืนหรือถึงขนาดสนิทจนครังอาจจะทะเลาะกันก็ได้ อย่าคิดว่าการทะลเลาะนี่เป็นฝักฝ่ายลบและมีโทษนะบับางทีก็เราเมื่อทะเลาะกันแล้วนี่ดีขึ้นกันมี้จะได้ยังรู้พลังของกันและกันครับข้อิ้งเกียนของผมนะครับว่าจารงกรสันณิบาตซึ่งมหาวิชัสี่ประการนะครับเกิดขึ้นอย่างน่าทึ่งในคืนวันมาฆะเมื่อหลายพันปีี่้วมา ผมคิดวเป็นเรื่องธรรมดานี่ไม่ใช่ความพยายามที่จะลดอภินิหารของพระพุทธองค์หรืออะไรท่านลงนะครับเหตุที่พระสาวกทันสองรอห้าสิบรูปเดินทางมาเฝ้าพระเจ้าโดยไมนนน่ได้นัดหมายก็เพราะว่าอยู่ในช่วงเทศกาลสิวาราตรีชาวเดียกับเทศกาลนี้เป็นคู่ขวัญผมเชื่อว่าอินเดียเป็นรองก็แต่บาหลีเท่านั้น บาหลีสามร้อยหหกสิบกว่าวันึมีเฟสติวัลแทบทุกวันครับชีวิตกับวัฒนธรรมนี่เป็นอันเดียวกันชาวเป็นเดียวก็เหมือนกันครับเมื่อมีเทศกาลในช่วงโดยเฉพาะช่วงนี้นะเทศกาลเยอะมากมีกุมภาพเมลามหาเมลาโฮโฮลีสวาลาตีมากมายครับในช่วงนี้นะครับที่จุลาตรีคูนเนี่ยประชาชนฮินดูจะไปรวมกันที่ ที่ทะเลทังคำนะครับแม่น้ำสามสายลายบรรจบคงคาจมุนาสุลสวตีเนี่ยปีละเป็นยี่สิล้านผมเงินไปในช่วงมหาเมลาก็ดีครับมองไว้ที่เวงน้ำนมีแต่หัวก่อนนะครับไม่มีที่จะเดินภาษาวกพันสร้อยห้สิบรูปนะั้นแม้จะเป็นอรหันต์หมดสิ้นอสวกิเลแล้วก็ตามแต่แนวโนมแรงจูงใจ ของความเนฮินดูก็ยังมีด้วยมืถึงคืนสำคัญสิวาราตรีอดีต ท, ท่านเหล่านี้เป็นนักาศาสนาคงไปริมมาน้ำคงคาแน่ครับไปทำพิธีอะไรตามพิธีกรรมความเชื่อเก่าแต่หลังจากเปลี่ยนใจมานับถือสุภพุทธองค์แล้วนะครับแล้วพระเจ้าวบวชให้กับมือด้วยไทยโบรารชาบ้านนะฮะบวชให้กับมือด้วยีย่ยเห็ดงนั้นโดยไม่ได้นัดหมายก็เดือนแจ้งเดือนหาย อาจารย์สวยมาค้าเลือกเขาคงไปหาคนที่ตัวเองรักใคร่ที่สุดแล้วเป็นเหมือนพ่อจะเหตุนั้นดูไปแล้วก็ใกล้เหตุอัศจรย์ที่จริงไม่รธรรมดานะผมมองกันนะครับแต่ถ้าอัศจรรย์จิงก็ดีก็ดีไปอย่างครับแต่ผมชอบมองปรากฏการณ์จริงมันคือโลกจากสังคมมนุษย์จากกิเลสตัณหาจากความสิ้นไปของกิเลสตัณหาจากแรงจูงใจ ผมเชื่อว่าแม้คนเราจะสิ้นอาสวะกิเลยแนวโน้มเองนี่ยังมีที่เราเมื่อกี้ยินในนามวาสนาเนี่ยพากันว่าพระารามธรรมศสาวธิ์สิ้นอาสวะแล้วแต่ไม่สิ้นวาสนาดังนั้นพฤติกรรมแปลกๆของพระอรหันต์สีนารบก็มีครับเช่นแสดงออกทางวาจาราวกับตัวตายแต่ข้งจริงท่านไม่ได้กลัวอย่างพระหัตถ์รูปหนึ่งไปจําวัดอยู่ที่ถ้า แล้วก็เอินมีงูพิษตกจากพดานถ้ำมากับท่านที่ข้อเท้าท่านกระโดดแล้วตะโกนว่าเร็วหามเราไปเดี๋ยวจะเป็นแกลบพวกศิษย์ก็สงสัยเพราะรู้กันว่าพระหันจะให้กลัวตายแต่ทําไมท่านกระโดดด้วยแล้วก็บอกเร็วหามเร็วเดี๋ยวจะเป็นแกลบแกลบหมายถึงว่ามันจะไหม้พิษมันจะเข้าไางศิษย์คนกล้าก็ถามว่าทําไมท่านอาจารย์ยังกลัวตายอยู่ไหว่าหมดอาสวะ ทันก็แปลงอุทานภาสิทธว่าผู้ใดสิ้นอาสวะแล้วพูดนั้นยังไม่ขวตายพูดมาเดียวนั้นเลยนะยังมีก็หันบางรูปเคยเป็นคนสวนสูบคุณเคยก็ดอกไม้มากนั้นเป็นอหรหันแล้วเมื่อฉันเพลนเสร็จก็เดินข้ามาในสวนชมดอกไม้โดยที่ท่านรู้ตัวครับนี่เป็นแนวโน้มเองซึ่งมีมากมายครับผมคงไม่ต้องเสียหลามมาก ข้อที่สองข้อสังเกตในวันมาคาสิงห์ว่าสงสือโอกาสันานาอัศจารย์นั้นนะครับเหตุที่เกิดจารุรงในสันนิบาตดึงจันทร์สวยมาคามาคาเลิกก็สองพันสรยสิบรูปมาประชมุมโดยไมห้าต้องหมายพันสองร้อยนั้นเป็นอาหารเป็นเอหิตพิโคอุตมบุตรคท่านบวชให้เองด้วยทีนี้พระเจ้ากระถือโอกาสนั้นแสดงโอวาทปาดิโมกความอัศจรรย์อยู่ที่ตรงนี้ครับ เป็นเมือนคืนมาค้าที่แล้วมาไม่มีใครพูดถึงไปพูดถึงเรื่องวาเลนไทยแล้วเปรียบคู่ว่าไหนสําคัญกว่าก็เลยกลายเป็นเรื่องขำๆสำรหรับผมโดยที่ผู้ที่พยายามยกวันมาค้าไอ้สําคัญก็ไม่รู้ว่ามันสำกัญตรงไห น, นแต่ยังไงก็ตามเทียงค่ำเป็นเรื่องสําสคัญกว่าวาเลนไทยข้อสังเกตถัดมานะครับว่าในเมื่อ พระอรหันตสาวกพันสองร้าสิบรูปนะั้นเป็นอรหันตสิ้นอาสวะแล้วนะครพระเจ้าจะสอนท่านทำไมดังนั้นการแสดงโอวาทบาริโมท้ายที่จริงเนะี่พระเจ้าเปิดใช้โอกาสนี้วางลาดฐานของพระศาสนะาะวันนี้เป็นวันที่หลังจากพระองค์จับสู้ใต้ต้นพระศรีมหาโภคเพียงเก้าเดือนนะั้นครับ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 สามประโยคแรกที่ท่านทรงเปล่งบูทานทําการท่ามการพระละหันจีนอศกเพียงเพื่อให้เกิดเป็นเอาลน์เป็นผมใช้าำหลังมึงข้าบนจุ้งนึงวะเนี่ยต้องขออภัยด้วยให้เป็นภาพกว้างต่อพระละหันเพราะความสามารถของละหันเจ้องค์ไม่ทัดเทียมกันนะบางองค์ไปสอนเขาแล้วเนี่ยต้องมาถามพระเจ้าว่าที่สอนนั้นถูกไหมแต่ว่าตัวท่านนั้นสิน้นสิ้นปัญหาแล้ว เพรไอ้ความสามารถในการสอนมันคนละเรื่องกับการสื่อนวัตว่ะครับบางทีพระหัตถบงองค์พูดไม่ได้เลยสอนไม่เต็มเลยก็มีหรือบางองค์สอนประโยคเดียวสุขย่อมมีแก่ผู้สิ้นปัญหาแล้วพูดต่อไม่ได้เรื่องมีเท่านั้นเองดังนั้นสามประการแรกที่พระเจ้าวางรากฐานให้ต่อท่านผู้บริสุทธิ์เหล่านั้นเพื่อเพื่อได้เป็นคัลลองได้นําดวงประทีป กุจธธรรมเนี่ยไปสู่โลกกว้างในวันหน้าถือว่าไม่ได้พูดเฉพาะกับพระหาราพีนสกพูดกับพระหารในทุกยุคหรือกับชาวพุทธทุกๆคนทั่วทั่วโลกแต่สมัยนั้นก็คืออินเดียภาคเหนือเท่า น, น, นั้นนะฮะสัพปาปัสสะอการรนังไม่ทำบาปทั้งปวงนะหลักหลักอนะไเนีทยทำกุศลไม้ถึงสอง แล้วก็ชมรักจิตให้เขาสลอดแล้ท่านย้งว่าพระพุทธเจ้าผู้รู้ทุกพระองค์พูดอย่างนี้มีสําคัญมากนะปัจจุบันนี้เราเล่นลวนด้วยหลักกันมากครับไม่รู้อะไรคือสมถะอะไรคือวิปัสนาพระที่แท้ปฏิบัติยังไงหรือเล่นกรรมได้ด้วยหรือเปล่าทําบาปด้วยแล้วก็สอนธรรมะด้วยได้หรือไม่ลดยุ่งมันใหญ่เพราะเราไม่ทขามึนถึงหลักเลยครับห น, นเมื่อพระเจ้ารู้ท่านรู้ชัดว่า พระภิกษุที่นั่งฟังท่านคือผู้บริสุทธิ์หลุดพ้นแล้วท่านประทานหลักให้เป็นหลักชัยครับแล้วท่านอ้างโยงถึงพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ด้วยนะต่อมามาท่อนที่สองท่านวางอุ ด, ดมการ์และพลังที่จะจูนจิตให้ถึงอุดมการ์นั้นอุดมการ์ท่านอ้างว่านิพพานังประมังวัฒ น, นิปุถานิพพานนั้น พระพุทธเจ้าทุกองถือว่าเป็นบรมธรรมเป็นยอดสุดความสิ้นสุดสุดความเล่าร้อนทุกทรมานใจนะรมันเป็นเป้าหมายสวสวรรค์ไม่ใช่อันนี้ระวังให้ดีนะเพราะว่าเราเราไ่าคว้าเอาสวรรค์ก็ได้นะเช่นเป็นนั่งสมาธิสงบแจ่มใสแต่นั้นไม่ใช่ผลิตภานครับที่ว่าพลังก็คือขันติครับ ท่านเอ่ยผมก็ขันติเป็นทำเผากิเลสอย่างยิ่งองาศัยพลังขันติท่านแรกนั้นเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นหลักไทยนะเป็นถ้าใช้คำว่าตรีนิตีดูจะพิลึกเนาะคือไตรยางทั้งสาม่ว่าไม่ทําบาปเหตุที่ใช้คำเป็นหลักก็ว่ายังไม่ได้แจกแจงว่าอะไรคือบาปอะไรคือกุศลอะไรคือกุศลนั่นอีกเรื่องหนึ่งพูดโดยหลักรวมๆกว้างๆเป็นภาพกว้าง ของพุทธศาสนานะครับว่าขึ้นชื่อว่าบาปผู้ชาวพุทธต้องหลีกใหยห่างไกลเท่าที่จะทำได้แต่แน่นอนนะครับมนุษย์เราทําทั้งคุนทั้งผักคล้คาคลากันไปแต่โดยหลักแล้วต้องต้องละการทําชั่วทุกรูปแบบตามวันเวลาตามสติปัญญาตามสํานึกคนที่เว่ละบาปก็คือคนที่มีสำนึกคนที่มีสำนึกไม่อาจบรรลุทำได้ครับ เราเห็นได้จากปรัชยาการบวชในพุทธศาสนาพุทธศาสนจะซักซักถามว่าคุณเป็นมนุษย์หรือเปล่าคำนี้นะฮะจริงๆเป็นมนุษย์เคมีสํานึกเยี่ยงมนุษย์หรือเปล่าแล้วยังมีปจจัปปัญจกะกรรมฐานทดสอบสติว่าฟั่นเฟือนหรือเปล่าให้ท่องเจสาลมานะขาตัญตาท่องกลับไปกลับมาสิพท่องได้แสดงนี่เขาเป็นเมล็ดพันธุ์ที่จะรู้แจ้งได้เพราะว่าเมร็ดพันธุ์คือสติ ตสติล้มเหลวบนรล้ทำไม่ได้ครับมีแต่เพียนและบ้ารูปเดียวดังนั้นการกรนกลองนี่มีตลอดเวลาแต่เราไม่ได้ใช้มันในทุกวันนี้ครับวันนี้ฟมมังถิทยุกาศพูดมาถึงท่อนที่สามครับอ น, นุปวาโทอนุปคขาโตทรงสแสดงไลฟ์สไตล์ของผู้ที่ประคุณแจนำสันธิภาพมาสู่โลกนี้ชพุทธกด็ดีหรือผู้ที่จะทำกิจ ที่เรียกพิชเมนะครับผู้สร้างสรรพภาพไปโลกอย่าลืมนะครพระอรหัสนักบวชคือพนะิ a เ e คเกอรนี่ยไม่ใช่ผู้มากกวนความถงบสุก ข, ของทพระคมมาขย่าไอหลักจรียธรรมหรือทําให้คนสับสนขึน้นเลยเป็นนักบวชนักบวชนั้นนะครับต้องมีอนุปวาโทอนุปกาโรโตไม่พูดร้ายไม่ดเดียดเบียนผู้อืน่นด้วยคําพูดทําให้เขาเจ็บปวดทุกทรมานทําไม่ได้ครับใส่ความยิ่งทําไม่ได้ ไม่ทำร้ายอนุปกาโตไม่ทุบไม่ตีไม่แม้แต่งเงื้อมือจะตีทำไม่ได้ก็ปราบรบติทันทีครับพราดว่าเงื้อมือจะตีนี่โดนแล้วครับไม่ต้องตีจริงอย่างนี้เข้าตรรมานุอาตอนุปการโ ต, ป า, ตปาดิโมเขสังมรสดมรวมอยู่ในระเบียบที่ดีงามคือมีดิสซิพลนไม่ใช่ปล่อยเละเคะทำไงก็ได้ฟรีอะไรอย่างนีนะ้ซึ่งดูไปแล้วมันจะกาวเหล่านี้มันค่อนข้าง ผมยามรับว่าสวนทางกับสังคมซึ่งกำลังเรียกร้องเสธิภาพอย่างลายขอบเขตทั้งฝ่ายสตรีทั้งฝ่ายบุรุษนั้นเป็นธรรมดาที่ในภายใต้บรรยากาศประชาธิปไตยขยาวพุดศาสนาด้วยนะครับสำหรับต่อมานะมนืตั m ย t ตาจะพัดตัดสมิงสำหรับผู้ที่อยากจะใช้ชีวิตเพื่อสร้างเสรีภาพในโลกนี้นะครับไม่ว่าในหน่วยย่อย หรือในในสเกลกว่าเขาต้องรู้จักประมาณในการเป็นอยู่ซึ่งสวนทางอไอกระแสบริโภคนิยมอย่างรุนแรงในทุกวันนี้ครับเออเนี่ยนพะระซีวลโว่ี่กันเป็นแถวไปเลยครับนี่น่าตกใจมากถ้าพระเจ้าเสด็จมาเห็นมันคงกลับอินเดียไปอย่างไรวันเลยกหมายนึงมาในบ้านเมืองเรานะฮะมัดจันนิตาจะพัตตสมิงและรู้ประมาณในการบริโภค แล้วประมาณของผู้ที่เป็นพิษแม่ค่ะนะฮะท่านอุงวามเหมือนนกมีปีกและหางเท่านั้นเองคือพึ่งตัวเองไม่แต่ยาต้องเอามูดและคูดมาทำเลยและมูลน่าอุวามว่าไม่ไม่ใช่อุตริตให้กินปัสสวาวะตัวเองไม่ใช่เรื่องอุตริตแต่มันเป็นพึ่งตัวเองอย่างถึงที่สุดก่อนเรียกอ้าปากเรียกร้องจากตัวเองเอ่อหลายเดือนก่อนผมเคยพูดในห้องนี้นะครับว่า สัญลกณ์ของความเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยนะฮะไม่เกี่ยวกับอายุนะฮะก็คือสิ้นการเรียกร้องต้องการในผู้เด็กเรียกร้องโยเยหาความรักของแม่หญิงสาวก็หาความรักกับชายหนุ่มหรือชายหนุ่มจากหญิงสาวมีเสียงเรียกร้องต้องการครับพ่อแม่ก็ท้าชวนถึงความกรตันยุ่งลูกซึ่งอายุไม่เกี่ยวข้องใ น, นหมายความว่าวุฒิภาวะยังไม่ยังไม่งอกงามคนระับแต่วุฒิภาวะหรืวุฒิศาสนาคือความเป็นผู้ใหญ่ โดยทางธรรมนี่นครับคือสิ้นการเรียกร้องต้องการเนรีัยเองเพราะว่าหลักอีกสําคัญอว่างหนึ่งคือถึงที่พึ่งในตนเองอัตตาอิอัตโนนาโถโกหิณโถบรสิยาท่านพืดอย่างนี้นะฮะตนเป็นที่พึ่งตนใครไหนเป็นที่พึ่งลุงกาได้เล่าอาจารย์ผมแต้มแค่ะนะคือเธอแนเ่ๆนะครับเดี๋ยวท่านเตือนเลยว่ามีที่พึ่งอยู่ในใจไหน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 พูดภาษาชบ้านแล้ว่าบทใจรองเกี่ยวกับเสื้อผ้าอาหารยาคายาโรคและที่พักอาศัยโดยก็ที่อาศัยเป็นเพียงเพิงมุงบางเหลือบยุงลมแดดเท่านั้นเองครับไม่ต้องหรูไม่ต้องทรงสเปนไม่ต้องทรงมิเตอรไม่ต้องทรงอะไรทั้งนั้นพอถึงนี่อีกท่อนท้ายครับของโอวาตปาณิโมกก็คือเศษเศนาสนะอันสงัดมีสําคัญมากทุกวันนี้ ความเงียบไม่ได้เป็นสาระของชุมชนอีกแล้วครับโดยเฉพาะเมืองมหานครใหญ่นี่เป็นแหล่งโลคีแล้วแต่พระขึ้นไปเที่ยวแปล ว, ว่าสุดขั้วไปเลยครับเพราะพระนั้นจิตใจของพระนั้น ง, งอกงามเจริญหรือจิตใจของคนทั่วไปเนื้อเป็นชาวพุทธจะงอกงามขึ้นในความสงัดทั้งสงัดทางนอกคือไม่มนวายไม่เสียงทุกข์ปานและแต่ที่สำคัญที่สุดคือความสงัดของหัวใจครับ ความสำหรับชี่นี้นั่นเป็นสิ่งที่ชำระบาปชำระความสับสนจัดระเบียบเรื่อเรือนใจใหม่จัดคลื่นสมองให้เป็นระเบียบทั้งความเงียบนะทั้งที่เป็นรูปธรรมและทั้งความสิ้นปรารถนากิเลสนาไม่อยากได้อะไรมันกลายความเงียบอีกแบบนึงครับเหมือนผมเคยพูดในห้องนี้ว่าสิ่งไหนมีราคาสูงก็เพราะเรามีราคามากราคากับราคาสับเดียวนี่ เพราะมันมีราคาเพราะเรามีราคาต่อมันมันจึงมีราคาถ้ามันมีราคามันเป็นศูนย์ทันทีครับคือถเราไม่อยากได้ไมันมันจะเป็นศูนย์ทันทีเลยทัในใดที่ความรู้สึกสิ้นปราถนาสิ่งนึงพวงนะความสงัดชิดหนึ่งจะล่นซ่านไปทั่วเรือนร่างนี้ครับแล้วจะสัมผัสวัตถุธาตุที่เป็นมูลธาตุธาตุฐานตั้งเดิมของมนุษย์ได้ซึ่งเป็นธาตุเดียวกับจักรวาลทั้งหมด สำหรับผู้ที่บรรลุความสงัดทางใจแล้วนั้นซึมซับอยู่สิ่งนี้ข้อสุดท้ายของผมแขวนิดนะครับโอวาจะขอโมำข้อด้วยว่าเศษเศนาอันสงัดนั้นอาจจะนำมาเป็นบาทฐานในการพัฒนาประเทศได้คือต้องพัฒนาให้มันเป็นที่สงัดเหมาะที่จะเินภาวนาร้ายพี่ก่อนผมไปแวะไปเยี่ยมที่ <c oughs> รครับทีนกฤีในย่านซึ่งคล้ายๆกับสุขุมวิทเก่าของเรา ต้องเน้นเมื่อเก่านะซูมมิดอนนี้ก็ไม่เงียบเลยครับจากหัวถนนสู่ท้ายสอยนั้นตกดึกได้ยินในเสียงหมาเห่าวนะ่แวแววครับประเทศของพุทธในแปลกกับพุดวายขึ้นที่ในปานของส่งเกตดูชาวต่างชาติเป็นฝรั่งจากยุโรปและอเมริกาจะออที่ร้าน ขายประคำเครื่องมือทางวิญญาณภาพทังกาภาพโบราณหรือพุทธรูปเก่ามากๆประชาในปานมุ่งกันที่ร้านสาโกนาฬิการุ่นใหม่คอมพิวเตอร์มุ่งโลกกังกลับขัวครับประเทศที่เคยรุ่งเรืองทางมโนธรรมเนี่ยสูญสิ้นทา ง, งตัวกลางคนไม่รู้จักรากเหง้าของตัวเองว่าอะไรดีอะไรไม่ดี แล้วใครคว้าอะไรซึ่งคิดว่าเป็นสีวิไลในขณะที่ค น, น, นตะวันตกเขารู้กันแล้วครับว่าวัตถุไม่อาจาเติมหัวใจเต็มอิ่มได้นอกจากมันเติมไม่อิ่มแล้วมั น, มนทำความทุกข์ทรมานจากการมีมากแล้วต้องปกป้องไม่เชื่อเรามีเสื้อสักยี่สิบตัวครับคุณจะมีปัญหากับมันมากๆเลยแล้วเขาก็เริ่มรู้ว่าเขาขาดอะไร วิลิบลันปราดตวันตกเนี่ยเขาชี้ชัดมากก็บอกว่าตวันตกมาถึงทางตันแล้วครับเพราะการสร้างสารทางวัตถุทำ น, นะครับถึงจุดที่เรียกว่า over structuring เกินแล้วล้นล้นจนคนในกลางสิ่งว่างเปล่าในท่ามกลางตึกรามมั่นช่องเครื่องมือเครื่องคนโดยเฉาะค อ, อมพิวเตอร์ทางมนุษย์นี้ไม่มีความหมายอะไรเลยครับสำนักงานถาปนิกงานแข่งหนึ่งนะครับสำนกงานออกแบบ ลงทุนซื้อคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวปลดถามนี้ออกห้านายได้เลยครับงั้นเครื่อจับโดยเฉพาะไอ้คอมพิวเตอร์มันเข้ามาแล้วทำให้คนหมดค่าลงทันทีครับความเงียบเป็นก่นสารของชีวิตนะครับศิลปินนักแต่งเพลงก็ดีรู้ว่าในความเงียบเขาจะนิพน์โน้ตเพลงได้อย่างกลมกลืนและไพเราะ ศิลป็นต้องการระเบียบแม้ข้างนอกจะรุ่มร่ามเขารู้ว่าในความสงัดภาวะสร้างสรรค์ม่เกิดขึ้นในความเงียบๆหนึ่งครับซึ่งในนี้เราไม่เข้าใจเรากับคิดว่ามันต้องชมชา ง, งมากๆเราจรึงจเจริญก้าหน้าไม่เป็นหนึ่งนั้นเลยครับเราสามารถประยุกต์โอวาสปาณิโมกประการนี้เข้าสู่โครงสร้างชุมชนได้ถ้ารัฐบาลลืมหูลืมตา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 ฝึกจิตข้อประโยคสุดท้ายของวารโมงไงอาศัยก า, ารไม่พูดร้ายไม่ทำร้ายอะไรนะฮะมีชีวิตยอยู่พอดีพอดีมาเรื่ อ, อยจนเสพเสนานสังนัตย์ยกจิตขึ้นสู่ภูมิที่สูงขึ้นยิ่งขึ้นแม้เป็นอาหารแล้วก็ต้องฝึกจิตครับถามว่าฝึกไปเพื่ออะไรท่นต้นนั้ น, น, นท่านฝึกเพื่อสิ้งอสวกเพื่อสิ่งกิเลสเพื่อเข้าถึงการจัสรูการได้พระโพธิยาน แต่พระเจ้ารงกบับเองว่าแค่นั้นยังไม่พอปึกจิตมันเป็นเรื่องฝึกกูมัญญาให้ลุ่มลึกไม่รู้จบครับเอในประสูตรหนึ่งท่านตรัสว่าความสมบูรณ์งูสีนั้นไม่พอสมบูรณ์ของสมาธิก็ยังไม่พอสมบูรณ์ของปัญญาก็ไม่พอสมบูรณ์ของวิมุติก็ยังไม่พอวบอกถ้าจะให้พอต้องเกื้อกูลแก่มหาชน นี่เป็นุดการสูงย์สื่อลุงพุทธศาสนาครับเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อตัวเรานะครเราปฏิบัติเพื่อความสมบูรณ์ของระเบียบวินัยฝืนฟูพลนานามัยของจิตคือสมาธิและเป็นการสแสวงหาสันติธรรมดำดั่งในห้วงลึกของชีวิตซึ่งผมจะกล่าวในลําดับถัดไปครับโดยย่อแล้วถ้าเราไม่สามารถสแสวงหาความสุขสันติธรรมในห้วงลึกของชีวิตได้ เราต้องไขว่คว้าจากข้างนอกแน่ครับและในการที่คนเป็นจํานวนมากหรือมหาชนไขว่ยคว้าหาความสุขจากข้างนอกนั่นเองเป็นสาเหตุในการทะเลาะเบาแวงขับแย้งทุกตีฆ่านี่เป็นสี่สําสคัญมากครับผู้ที่แสวงหาสันติธรรมในห้วงลึกของชีวิตได้ความสุขเช่นนั้นท่านเรียกว่านิรามิตสุข ซ, ซึ่งไม่อิงเหยื่อคือไม่ต้องกินเหยื่อแต่มันสุขได้ในตัวมันเอง เป็นความเต็มเปี่ยมของมันเองเป็นดุณภาพของธรรมชาติแต่โดยเฉพาะธรรมชาติแห่งหัวใจมนุษย์พระโอวาทปาฏิโมกที่พระพุทธองค์ท่านทรงแสดงนะครับให้ผู้ฟังซึ่งเป็น ด, ดวงจิตที่หลุดพ้นแล้วบริสุทธิ์ฝุกของมีสาระสำคัญต่อโลกนี้มากครับสาระสำคัญตรงที่ว่าท่านรมวนหลัก ทั้งหมดมาแล้วยัที่แนะต่อไลฟ์สไตล์สำหรับผู้ที่จะเป็นเพจเมคเกอร์เขาต้องไม่ทำร้ายผู้อื่นด้วยวาจาด้วยกายนะแล้วเขาต้องสำรวมตัวเองให้ใ ห, ใ, หให้มีระเบียบวินัยที่ดีงามเขาต้องเป็นอยู่ที่มัธยัตนะิเขาต้องเป็นมิตรสนิตกับความสงัดความเงียบเพื่อฟื้นฟูพลานามัยและภูมิปัญญาเขาต้องยกจิตขึ้น ในทุกๆช่วงของชีวิตเพื่อเหมาะสมที่จะเป็นพีชแมคเกอร์คำสอนของเจ้านั้นไม่ต้องเอ่ยก็ได้นะครับว่าทำสมัยอยู่เสมอที่จึงคําว่าทำสมัยอยู่เสมอนี่ไม่เหมาะไม่คว ร, ควรด้วยซ้ําที่แย่นามาลองรับคือมันเป็นอาการลิโกครับเป็นสิ่งที่ไม่ไม่ขึ้นกัยุคสมัยเลยเพราะอะไรครับเพราะมิญญาตัวสัตว์จะทำซึ่งไม่เกี่ยวกับมนุษย์ตรงนี้อาจจะแปลกนะครับเพราะว่า การสํารวจพ่องสํารวจชีวิตผมจะเริ่มต้นบทนี้นะครับว่าขออนุญาตใช้สาอังกฤษและเป็นภาษาอังกฤษของผมเองด้วยนะครับคือไม่รับรองกับเจ้าของภาษาเอ า, าเขาใช้อย่างนี้หรือไม่เพราะเราต้องการจะใช้ณที่นี้เพื่อประโยชน์ของสิ่งหนึ่งเท่านั้นเองมันทั้งวิศาสต์เข้าห้องแลับทดลองเราเรียกว่าฝรั่งเรียก experiment ทดลองแล้วในการทดลองเขาต้องมีระเบียบ ม, มีการคาดการเรื่องก็ไฮโปเท시스ตั้งสมมติฐานแล้วก็ทดลองตามระเบียบมีระเบียบ ม, มีวาระอะไรผลที่ออกมนตรงก็ได้หรือไม่ตรงก็ได้หรือพบบางสิ่งซึ่งไม่ได้ตั้งใจจะค้นหาคําตอบแต่มันปรากฏขึ้นก็ได้ครับแต่ไงก็ตามการเอ็กซ์เพร์เรนท์ทดลองเช่นนี้เนี่ยมีระเบียบกฎเกณฑ์ มีการอย่างรู้ไปลงหน้าคาดการอาจจะปิดอาจจะถูกก็ได้ในคำหนึ่งคือ exploration ความหมายของผมคือการท่องสำรวจซึ่งไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นครับ เ, เหมือนเราไปสำรวจเกาะสักแห่งหนึ่งซึ่งไม่มีรอยเท้ามนุษย์เลยไม่มีร่องรอยของมนุษย์เลยพูเขาทุกลูกบนเกาะหลงสำรวจนั้นไม่มีชื่อสรรพสินอนกาะนั้น ไม่มีไกรขนาดชื่อมันขึ้นมาการท่องตำรวจจึงไม่มีแผนการใดๆครับนอกจากสติสมบรูรณดีที่ปกติมากๆเท่านั้นเองครับนี่เป็นสิ่งสำคัญมากครับใอยใดพระเจ้าจึงประทานเน้นในเรื่องสติปัฏฐานสี่เป็นอย่างมากครับส่งย้าว่าเป็นทางทางเดียวเท่านั้นเอกาญโอมัคโคลพิคเวทัรนะื่องว่างั้นดูก่อนพิศุ ทางนี้เป็นทางเดียวเท่านั้นเพื่อความสมบูรณ์ปัญญาเพื่อมีมุติเพื่อหลุดพ้นเพื่อรู้อะไรจะตามมาจากการเจริญสติปัฏฐานสี่นะครับ แ, แสดงเครื่องมือในการแสวงหาความรู้แจ้งมีแล้วในเราแต้ครื่อ น, นี้เครื่องมือนี้อดอจจัดยังไม่สแสดงไอ้พลานภาพทุมันออกมาเนื่องจากเราจับกลไกไม่ได้ หรือมุ่งจากมันหมักหมมอยู่จนมีคราบใครเป็นสนิมหรือเปียบด้วยเพชรซึ่งตกตงงลงมาในโครนจอมสิ่งที่ช่างเขาเจริญในไว้อย่างงวนานามยิ่งเลยประสิทธิภาพของเพชรความเป็นเพชรเม็ดจรแนะแฟงถูกไอ้ที่โครนคุมไว้นหน้าที่เรามีประการเดียรับไม่ใช่โยนเพชรมนนันทิ้ง โดยความเข้าใจผมก็เช่พระเจ้าไม่ได้สอนอะไรเราเลยนอกจากทรงปลุกเราให้ศรัทธาในธรรมชาติแท้ของหัวใจคนนั้นั้งหนึ่งในห้องนี้ผมเคยบรรยายว่าพระพุทธเจ้าทรงเข้าถึงธรรมนิยาม